ความหมายเบื้องต้นของฉันทะคือความยินดีพอใจความใ่รักอยากคือใรทมใ่ดีใ่สัจจะอยากรู้อยากทำต้องการทำทอทงรอหันมอมา้าและต้องการทำทอทหารสระอําความหมายตามหลักของตัณหาคือความอยากได้สิ่งเศษที่อนวยสุขเวทนา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 อาการและผลต่อจิตของตัณหาคือหนึ่งกระวนกระวายเร่าร้อนไม่เอื้อสมาธิเช่นชอบใจอยากได้ฟุ้งซ่านคิดพลานไป 2. ข้องคับใจพุกต่างๆโรคทางจิต 3. ามกามสุขสามิตสุขสุขพึ่งพาอาการและผลต่อจิตของฉันทะคือหนึ่ง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 1. พึ่งพึงกระทำคือสร้างขึ้นและปฏิบัติตาม 2. งระ ง, งับด้วยการทำให้สำเร็จตามนั้น